พระตนาใคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสรณะทางใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะของพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธามีความเชื่อมีความเคารพนับถือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นครูเป็นอาจารย์การถือพระรัตนตายนี่ความหมายก็คือให้ถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนเป็นผู้บอกทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้ทาง สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนอกจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อศึกษาคำสั่งคำสอน ที่เป็นความรู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นจากการติดอยู่ในสังสารวัฏในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดที่มีอยู่สามพบด้วยกันสังสารวัฏนี้เป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณ ดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกทั้งหลายของพวกเราซึ่งในขณะนี้ดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจของพวกเราอยู่ในระดับของมนุษย์แต่ดวงจิตดวงใจของพวกเราจะไม่ได้อยู่ในระดับของมนุษย์ไปตลอดจะมีการเปลี่ยนขึ้นสูงก็ได้ เป็นลงต่ำก็ได้อยู่ที่การกระทาของเราที่มีอยู่สามแบบด้วยกันคือทำดีเรียกว่าทำบุญทำไม่ดีเรียกว่าทำบาปและทำกลางๆคือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนี่คือเหตุปัจจัยที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจ หรือดวงวิญญาณของพวกเราให้ขึ้นสูงหรือขึ้นต่ำถ้าเราทำบุญก็จะปรับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะขึ้นไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอาริยบุคคลถ้าทำบาปก็จะปรับจิตใจให้ต่ำลง ให้ไปเป็นเดลฉานให้ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกถ้าทำกลางๆบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ทำก็จะคงสถานะภาพของจิตใจที่เป็นอยู่ในตอนนี้คือยังเป็นมนุษย์ต่อไปแต่การไปเปลี่ยน จิตใจให้เป็นเทพก็ดีเป็นพรหมก็ดีหรือเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกก็ดีก็มีการสิ้นสุดลงคือบุญที่ทาแล้วปรับเปลี่ยนจิตใจให้สูงขึ้นบุญที่ทาก็มีวันหมดได้พอหมดจิตใจที่สูงขึ้นก็จะ กลับลงมาสู่ที่เดิมคือกลับมาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบาปที่ปรับให้จิตใจลงต่ำพอบาปหมดกำลังลงจิตใจก็จะกลับมาสู่ที่เดิมคือที่ที่เป็นมนุษย์มนุษย์นี้เป็นที่ที่เวลาจิตใจที่เวลาบุญกับบาปหมดกำลัง บุญไม่สามารถดึงไปสวรรค์บาปไม่สามารถดึงไปอบายได้จิตใจก็จะกลับมาอยู่ที่ระดับของมนุษย์นี่แหละเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเวลาปรับเปลี่ยนไปก็จะไปอยู่พบต่างๆถ้าเป็นมนุษย์เป็นเทวดานี้หรือเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต จะอยู่ในภพที่เรียกว่ากามภพกามภพก็คือภพของผู้ที่ยังเสพกามอยู่กามก็คือกามะคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆถ้าถ้าทาบุญที่สูงกว่าเทวดาคือ ไปศึกษาไปไปปฏิบัติธรรมไปฝึกสมาธิไปถือศีล8ปนดะก็จะได้ยกระดับจิตขึ้นสู่ระดับพรหมโลกนะพรหมโลกคือสวรรค์ชั้นพรหมที่มีอยู่สองสองพบด้วยกันเรียกว่ารูปภพกับอรูปภพนะนี่คือไตรภ พ, พสาม ของผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดเดียวจะสลับผัดเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลงไปตามกำลังของบุญหรือของบาปที่ทำไว้เช่นตอนนี้ญาติโยมมาทำบุญไม่ได้ทำบาปก็จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาถ้าไปถือศีลแปดไปนั่งสมาธิ เข้าฌานได้ก็จะขึ้นไปสู่อรูปภพกับอรูปภพอรูปภพก็คือผู้ที่ได้รูปฌานอรูปภพก็คือที่อยู่ของผู้ที่ได้อรูปฌานฌานนี้มีความแตกต่างกันคือความสงบมากน้อยไม่เท่ากันรูปฌานนี้มีความสงบน้อยกว่าอรูปฌาน ผูที่ฝึกสมาธิในเบื้องต้นจะได้รูปฌปานก่อนจะได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วถ้าปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นมีสติมีกำลังมากขึ้นก็จะสามารถทำจิตใจให้สงบได้มากขึ้นก็จะขึ้นสู่ขั้นรูปฌปาน เข้าสู่ความสงบระดับอรูปฌปานที่สงบมากกว่ารูปฌานต้องมีสติที่มีกำลังมากกว่าสติของรูปฌปานถึงเข้าสู่อรูปฌปานได้แต่ฌานนี้ก็จะเสื่อมได้เพราะสติที่ส่งจิตให้ไป อยู่ในรูปฌปานหรืออรูปฌานก็เสื่อมได้เพอสติเสื่อมลงจิตก็จะเสื่อมกลับลงมาจากอารูปฌานก็มาสู่รูปฌปานจากสวรรค์ชั้นรูปอรูปภพก็ลงมาสู่สวรรค์ชั้นอรูปภพอรูปภพแล้วก็เสื่อมต่อไป จากรูปภพก็จะกลับลงมาสู่กามภาพ <c oughs> จะกลับมาเสพกามใหม่สังเกตโูยาตโยมที่มาฝึกสมาธิเวลามาฝึกสมาธิก็หยุดเสพกามกันไม่ดูหนังฟังเพลงไม่กินไม่ดืม่มตามความอยากต่างๆนี่คือเป็นการาระงับการหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการถือศีลแปดแล้วก็มาหาความสุขจากการฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบก็มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามแต่พอลาสิกขาไปกลับบ้านไปก็กลับไปเสพกามใหม่ พะสติที่จะดึงให้ใจอยู่วัดอยู่ปฏิบัติไปนานๆนั้นหมดกำลังลงไม่สามารถดึงจิตใจให้อยู่กับการถือศีลแปดอยู่กับการฝึกสมาธิได้เพราะจิตใจยังมีความหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยูนะ่ก็จะกลับบ้านแล้วก็ไป หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแทนอันนี้ก็เหมือนกับตกจากสวรรค์ชั้นพรมลงไปสู่สวรรค์ชั้นเทพนั่นเองจิตที่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมจากรูปภพจากอารูปภพเพื่อมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสในสวรรค์ชั้นเทพ ถ้าเป็นดวงวิญญาณก็จะเสบรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพนีแล้วพอบุญที่ส่งให้เสบรูปทิพเสียงทิพหมดกำลังลงก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสบรูปหยาบเสียงหยาบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปแล้วก็จะมาทำบุญทำบาปกันใหม่ พอร่างกายตายไปก็จะไปตามอำนาจของบุญของบาปใหม่นะนี่คือเรื่องของดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำกันในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์พอร่างกายตายไป บุญหรือบาปนี้ก็จะปรับแต่งดวงวิญญาณให้เป็นเทวดาให้เป็นพรหมหรือว่าให้เป็นเปรตให้เป็นอสุรกายหรือให้เป็นนรกหรือให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้คือสภาพของจิตใจของพวกเราทุกคน เป็นอย่างนี้นี่คือจิตใจที่ติดอยู่ในสังสารวัฏจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังขึ้นๆลงๆอยู่ตามอํานาจของบุญของบาปที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้บางวันเรามีอารมณ์ดีเราก็ทําบุญทําดีกันบางวันเรามีอารมณ์ไม่ดีหรือมีความอยาก เราก็อาจจะไปทำไม่ดีอยากจะได้อะไรแต่เงินไม่พอใช้ก็อาจจะไปลักขโมยเงินไปโกงไปช่อโกงเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ตามความอยากต่างๆวันนั้นก็จะพาให้เราไปทำบาปกันบางวันเราไม่มีความอยากได้อะไร เราก็ไม่มีอะไรมากดดันให้เราต้องไปทำบาปบางวันเรามีอารมณ์ดีอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขเหมือนเราเราก็มีอะไรแบ่งปันก็เอาไปแบ่งปันกันมีอะไรแจกจ่ายก็เอาไปแจกจ่ายกันให้คนที่เขาไม่มีมีบ้างให้เขา ให้เขามีกินเหมือนเราให้เขามีดื่มมีดูมีฟังเหมือนเราพอให้ความสุขกับคนอื่นก็เป็นบุญขึ้นมาในใจก็ยกระดับของใจให้ขึ้นสูงขึ้นจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาแล้วบางวันอาจจะมีเพื่อนหรือใครมาชวนให้ไปวัดให้ไปหัดนั่งสมาธิ เพราะนั่งสมาธิแล้วจะมีความสุขมากกว่าการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็อาจอยากจะลองไปฝึกดูก็ลองไปหัดถือศีลแปดไปนั่งสมาธิถ้านั่งแล้วเกิดผลจิตสงบก็จะได้ยกระดับจิตขึ้นสูงขึ้นจากเทพไปเป็นพรหมต่อไป นี่คือลักษณะของการปรับเปลี่ยนจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายอย่างของพวกเรา <c oughs> <c oughs> ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ว่า เ, าเราได้อยู่กับผู้ที่มีอิทธิพลต่อพวกเราหรือไม่ ถ้าเราอยู่กับคนที่มีอิทธิพลที่สามารถบอกให้เราทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ได้เราก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากบุคคลที่เรารู้จักหรือใกล้ชิดเอ่นถ้าเราเกิดมาในครอบครัวของคนที่ชอบทําบุญเขาก็จะสอนหรือจะดึงให้เราไปทําบุญ ถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่ทำบาปเขาก็จะดึงให้เราไปทำบาปกับเขาอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำไมเราเกิดมาแล้วจึงมาทำบุญกันบ้างทำบาปกันบ้างหรือทำแบบกลางๆ บุญก็ไม่ทำก็มีบาปไม่ทำก็มีบางบ้านก็ไม่ทำบุญแต่ก็ไม่ทำบาปถ้าเราไปเกิดในบ้านนั้นเขาก็จะเขาก็จะมีอิทธิพลต่อการไม่ทำบุญต่อการไม่ทำบาปของเราต่อไปจิตใจของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ทำบุญไม่ทำบาป ใจิตใจของเราก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่สูงขึ้นไม่ต่ำลง น, นี่คือเรื่องของจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายที่วนเวียนกันอยู่ในสังสารวัฏในไตรภพนี้เวียนขึ้นเวียนลงตามอำนาจของบุญของบาปแล้วก็จะเวียนไปอย่างนี้ไปเรื่อย อย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะมาสิ้นสุดได้ก็ต้องมาเจอผู้ที่ได้หลุดออกจากสังสารวัตรนี้เองผู้ที่ได้หลุดออกจากสังสารวัตรคนแรกเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีไม่ให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป พระ อ, องค์ได้หลุดออกจากสังสารวัฏได้แล้วพอพระองค์ได้หลุดออกแล้วพระ อ, องค์ก็มาสอนผู้ที่ยังติดอยู่ในสังสารวัฏถ้าเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายซ้าแล้วซ้าอีกก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระ อ, องค์ถ้าปฏิบัติตามได้ก็จะสามารถดึงจิต ให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอาลยสงสาวโลกพระอาลยสงสารโลก น, นี้ก็มีแบ่งเป็นสี่ระดับด้วยกันคือการหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ เป็นการหลุดออกเป็นขั้นขั้นไปมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าผ้าโซดาบันก็จะหลุดออกจากการไปเกิดในอบายผ้าโซดาบันนี้จะไม่ไปเกิดในอบายแต่ยังต้องกลับมาเกิดในสังสารวัตในกามาพบพบของมนุษย์และพบของเทวดา อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากอันนี้ขั้นที่หนึ่งจะทำจะกําจัดพพชาติให้น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติธรรมต่อไปถ้าปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สองที่เรียกว่าขั้น พ, พระสกิฎาคามีพอได้ขั้นพระสกิฎาคามี ก็จะตัดการกลับมาเกิดในกามมพบ ค, คือพบของมนุษย์หรือเทวดาให้เหลือเพียงหนึ่งชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าปฏิบัติต่ตอไปก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สามขั้นของพระอนาคามีพอได้ขั้นของพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับไปเกิดในกามมพบอีกต่อไป จะไม่มีการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นเทวดาเพราะจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแทนจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าปฏิบัติต่อไปก็จะได้ขั้นที่สี่ขั้นที่สี่ก็จะออกจากหลุดออกจากสวรรค์ชั้นพรหมไปเรียกว่าพระอราหารันต์เนี่ยพระอริยสงสาวคนิม มีเป็นสี่ระดับด้วยกันหน้าการที่จะผ่านทั้งสี่ระดับนี้สําหรับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนใช้เวลามากบางคนใช้เวลาน้อยบางคนสามารถปฏิบัติทั้งสี่ผ่านทั้งสี่ชั้นได้ในเวลาอันใกล้ชิดกันมีตัวอย่างในในพระไตรปิฎกมี พระที่บวชแล้วก็ปฏิบัติตามคาสอนแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะที่กำลังปองผมอยู่พอปองผมครั้งที่หนึ่งเอามีดโกนปองลงไปครั้งที่หนึ่งก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพอมีดโกนลงครั้งที่สองก็เป็นพระสกิ ด, ดาคามีพอครั้งที่สามก็เป็นพระอนาคามี ทั้งที่สี่ก็เป็นพาาระอรหันต์เลยในขณะที่กำลังปลงผมอยู่ขณะที่ปลงผมจิตก็จเจริญทำวิปัสสนาไปด้วยจนทำให้จิตนี้หลุดพน้นบรรลุอริยบุคคลทั้งสี่ขั้นได้ในเวลาใกล้ชิดกันเลยต่อเนื่องกันเลยแต่สำหรับบางองค์บางท่านก็ อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิบัติหยุดชะงักลงอย่างพระาอานุพาอานพระอนุนนี้เป็นพระอุปถาขอพระพุทธเจ้าตอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปถานั้นพระอานุ์ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วได้ขั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคล แต่พอได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นพระอุปถาคเป็นพระเลขาของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติก็เลยช่า ง, งักลงไปเพราะต้องมาคอยปลนิบัติมาทากิจรับใช้พระพุทธเจ้าการปฏิบัติก็เลยไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องจึงทำให้ไม่สามารถขึ้นสู่ชั้นที่สูงขึ้นไปได้ ต้องติดอยู่ชั้นนี้เป็นเวลาเป็นสิบยี่สิบปีเลยรับใช้พระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้านี้เสด็จดับขันธะปรินิพานไปนู่นนะรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่เกือบยี่สิบปีมั้งถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยก็เลยไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมที่จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นจากพระโสดาบันไปได้ แต่พอพระพุทธเจ้าท่านจากไปแล้วพระอานนท์ก็ตกงานฮไม่มีงานทำํำไม่ต้องมาปนนิบัติพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาเป็นเลขาป้าออนนท์ก็เลยไปปริกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปปฏิบัติธรรมเต็มเต็มที่เลยตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเดินยืนนั่งนอนตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเจตของท่านก็เลยเลื่อนขึ้นไปอย่างต่อเนื่องภายในสามเดือนท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ตามที่พุทธเจ้าได้ท่งทำนายไว้ก่อนที่จะจากไปว่าอานอนท์เธอไม่ต้องเสียใจการจากของเราไปนี้เป็นประโยชน์ของเธอเพราะเธอจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ภายในสามเดือน ตอนต้นพระนอนมีความเสียใจที่พระพุทธเจ้าจากไปพระพุทธเจ้าบอกเธอไม่ต้องเสียใจการจากไปของเราเป็นประโยชน์ของเธอเพราะเธอจะได้มีเวลาไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็ได้บรรลุภายในสามเดือนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณไว้นี่คือการเลื่อนขั้นของจิตใจ ในระดับของพระ อ, อริยบุคคลอันนี้แต่ละคนจะมีเวลาไม่เท่ากันบางคนบรรลุภายในเจ็ดวันบางคนบรรลุภายในเจ็ดเดือนบางคนบรรลุภายในเจ็ดปีถ้าศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆนี้การบรรลุธรรมของท่านก็เวลาไม่เหมือนกันบางองค์ก็บรรลุเร็วบางองค์ก็บรรลุชา้า ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่ามีอะไรมาคอยขวางหรือไม่บางคนก็ไปติดภารกิจอย่างอื่นอาจจะต้องไปดูแลพ่อดูแลแม่หรือดูแลครูบาอาจารย์อะไรบางอย่างก็จะทำให้ การก้าวเดินไปในทางหลุดพ้นนี้ก็จะมีการเนิ่นชาหลงได้แต่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าลองได้เข้าสู่ระดับของพระอริยบุคคลแล้วนี้จะต้องหลุดพ้นได้ในที่สุดย่างชาที่สุดก็เจ็ดชาคือพระโสดาบันนี้ชาที่สุดก็จะกลับมาเกิด แก่เจ็บตายเป็นมนุษย์นี้ไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็อาจจะไปติดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมอีกระยะหนึ่งแล้วถึงจะหลุดออกจากสังสารวัฏออกจากตายภพไปได้พอหลุดออกแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนกันจะไปถึงชาหรือเร็วก็ถือว่าได้หลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเหมือนสมายนี้ก็มีนักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลากับพวกที่เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรียนเดนตามเวลาที่มีอยูอ่ก็มีการจบที่ไม่พร้อมกันปริญญาตรีบางคนก็จบ4ปีบางคนก็5้าปี6ปีแต่พอจบ ปริญญาก็เท่ากันเขาไม่ได้เขียนในปริญญาใบ น, นั้นว่าเป็นเป็นริญญาสี่ปีหรือเป็นปริญญาหกปีเอถือว่าเป็นปริญญาตีเท่ากันออันนี้ก็เหมือนกันพอบรรลุปเป็นพระอารหันต์แล้วก็ไม่มีการไปจดว่าเป็นอรหันต์กี่เดือนกี่ปีถือว่าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเอ เป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้วิเศษที่สุดเพราะว่าการที่จะรู้ค้นพบทางสู่การออกจากสังสารวัฏนี้ได้นี้ไม่มีใครทำได้ในโลกนี้ด้วยตนเองมีคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่ตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ที่แสวงหาทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาคือในยุคที่ไม่มีผู้ที่จะบอกผู้ที่จะสอนนั่นเองเมื่อไม่มีผู้ที่สอนผู้ที่จะบอกก็เลยต้องไปศึกษาด้วยตนเองไปค้นหาทางด้วยตนเอง ซึ่งสำหรับคนทั่วไปนี้จะไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนกับเด็กสมัยนีย้ถ้าอยากจะให้เขาไปเรียนปเปริญญาติเองโดยที่ไม่ต้องเข้ามาหาวิยาลัยเนี่คิดว่าไม่มีใครจะเรียนได้จบปรินยาติต้องมีหลักสูตรต้องมีอาจารย์มาคอยสอนมาคอยบอกมาคอยดึงบางทีต้องคอยดึง บางทีไปเรียนแล้วก็ทะเลทลัยต้องมีการคอยดึงคอยสอนคอยบอกถึงจะสามารถจบปริญญาตรีได้ระดับจิตของมนุษย์ทั่วๆไปก็เหมือนกันจะไม่มีกำลังมีความสามารถที่จะไปค้นพบทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเอง มีคนที่มีความปารถนาแรงกล้าอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้จะเป็นพวกที่ทำอะไรไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาคนทั่วไปทำเช่นพระเวชสันดร น, นี่ทำบุญแบบสุดๆทำทานอย่างสุดๆมีเท่าไหร่ทำหมดไม่หวงไม่หวงไม่เสียดายแม้แต่ลูกก็ทำได้เสียบอยจากได้ใครมาขอ ก็ให้ไปได้หรือพระมหาชนกเนีน่ยในในนิทานพระมหาชนกท่านก็มีความเพียรสุดๆว่ายน้ําลอยคออยู่ในทะเลก็ไม่ยอมจมน้ําตายมีความเพียรพยายามที่จะว่ายทําอะไรพระเหล่านี้พระโพธิสัตว์นี้ท่านจะเป็นพูกที่ทําอะไรแบบสุดๆเนี่ยทําบุญก็สุดๆรักษาศีลก็สุดๆ ทำอะไรก็ทำแบบสุดๆจึงทำให้ท่านมีความรู้ความสามารถการที่จะสามารถค้นพบทางหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่พระโพธิสัตว์คือจะต้องมีบารมีสิบประการด้วยกันที่จะสามารถที่จะส่งให้จิตมีพลัง ที่จะค้นพบทางสู่การหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีเมตตาบา ร, รมีเมตตาก็เมตตาแบบสุดๆทานบา ร, รมีก็ทําแบบสุดๆศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมี วิลยะบารมีแล้วก็ขันติบารมีแล้วก็ปัญญาบารมีนี่คือบารมีที่พระโพธิสัตว์จำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาถึงจะค้นพบทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองนานๆถึงจะมี ถ้าโพธิสัตว์แบบนี้มาตัดจรู้เป็นพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งเวลายะเวลาระหว่างศาสนาพุทธนี้ถ้าว่าเป็นหลายสิบกันเดือนหลหลายกับหลายกันถ้าเราเอาตัวเลขสมัยนี้ก็อาจจะเอาล้านมาคุณร้อยล้านมาคุณร้อยล้านปีอย่างนี้ถึงจะได้ระยะเวลาหนึ่งกับถึงจะมี คนฉลาดอย่างพระพุท ธ, ทธเจ้านี้มาค้นพบทางสู่การออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วพอมาสอนศาสนาที่ท่านสอนก็จะมีอายุอยู่ไม่นานนานสั้นไม่เท่ากันอย่างศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านบอกว่าจะอยู่ได้ประมาณสักห้าพัน 5, ปี ก็จะมีผู้ที่จะสามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้อยู่ประมาณ 5,000 ปีหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครสนใจไม่มีใครที่อยากจะมาศึกษามาปฏิบัติหลังจากนั้นศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็จะหายไปจากโลกนี้คนที่มาเกิดรุ่นหลังก็จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนา ก็ต้องอยู่ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องค้นหาทางเองเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะที่หลังจากเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวช ก, ก็มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ไปบวชไปศึกษากับครูอาจารย์ต่าง แต่ก็ไม่มีครูอาจารย์ระดับที่จะสอนระดับที่จะให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สอนได้ให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกให้ไปนั่งสมาธิให้เข้าฌานได้แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าการจะออกจากตปยภพนี้ออกอย่างไรพระองค์ก็เลยต้องไปศึกษาคนา้นคว้าลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จนในที่สุดก็พบทางทางที่พาให้ไปออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือไปพบอริยสัจ ส, สี่ความจริงสี่ประการด้วยกันความจริงที่ทำให้สัตว์โลกนี้มาเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากอะไร และการที่จะทําให้สัตว์โลกหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นั้นเกิดจากอะไรนี่นี่คืออริยสัจสี่พอได้รู้แล้วว่าการที่สัตว์โลกมาเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะว่าอํานาจของความอยากนี่เองกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัวที่ดึงสัตว์โลกให้กลับมาหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามตัณหาแล้วก็อีกตัวหนึ่งความอยากอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่ดึงให้สัตว์โลกมาเสพความสุขจากการเข้าเข้าฌานขั้นรูปฌปานอันนี้เราก็เรียกว่าภาวะตัณหาที่พอที่จะดึงสัตว์โลกให้กลับมาติดอยู่กับ พที่สองคือรูปภพการมาตัญหาก็ให้มาติดอยู่พบที่หนึ่งคือพบของมนุษย์ของเทวดาผู้ที่เสพกลามเสพรูปเสียงกลิ่นรสส่วนผู้ที่เคยเข้าฌานได้เข้ารูปฌปานได้ก็จะติดรูปฌปา น, เ, นเวลาตายไปก็เวลาเสื่อมมาจากรูปรูปฌานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็อยากจะกลับไปใหม่ก็จะกลับมาฝึกนั่งสมาธิกันใหม่เนี่ยทำไมในโลกนี้เราจะมีคนหาความสุขต่างๆกันฮะบางคนก็หาความสุขจากตาหูจจากรูปเสียงกลิ่นรสไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นที่นี่บางคนก็ไปหาความสุขจากการไปถือศีลนั่งสมาธิก็เพราะว่าเขาเคยติดอยู่กับการหาความสุขแบบนี้ ใครเคยหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่นนสดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดใครที่เคยหาความสุขจากการเข้าฌานเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับไปหาการเข้าฌานไปไปบวชไปฝึกสมาธิอันนี้เรียกว่ารูปภาวะตัณหาความอยากาเสพความสุขจากการเข้า ฌานขั้นรูปฌปานเรียกว่าภาวะตัญหาแล้วปัญหาตันหาความอยากชนิดที่สามเรียกว่าวิภาวะตัญหาก็คือความอยากที่จะเสพความสุขในระดับอรูปฌานเรียกว่าวิภาวะตัญหาอันนี้พระพุทธเจ้าทรงคนพบว่าเป็นเหตุที่ผูกจิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่ในไต่พบถ้า ถ้ามีกามตัณหาก็ติดอยู่ในกามภพถ้ามีภาวะตัณหาก็ติดอยู่ในอยู่ในรูปภพถ้ามีวิภวะตัณหาก็ติดอยู่ในอรูปภพเนี่ยถ้าอยากจะไม่ติดอยู่ในภพทั้งสามก็ต้องมาละกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหา การจริการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้ก็ต้องเห็นว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามนี้เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามมันเป็นของชั่วคราวได้แล้วก็มีวันหมดไปเวลาได้ก็มีความสุขพอเราเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เป็นเวลาได้แฟนก็ดีใจ พอเลิกกับแฟนก็เสียใจให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าการเสกกรรมนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะละได้ให้เห็นว่าการเข้าฌานก็เหมือนกันเวลาเข้าฌานจิตสงบก็มีความสุขพอออกจากฌานมาความสุขนั้นก็หายไปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน คือสรุปแล้วก็คือต้องไม่หาความสุขจากการไม่หาความสุขจากการเข้ารูปประชานหรืออารูปประชานถึงจะทำให้เจตนน้ไม่ต้องกลับมาติดอยู่ในตายพบได้นี่คือการตัดสั้ของพระพุทธเจ้า พอส่งรู้แล้วพระองค์จิตของพระองค์ก็หลุดออกก่อนไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพบไม่ต้องเกิดมาเกิดในรูปะพบอรูปะพบอีกต่อไปก็จะไปอยู่ที่พระ น, นิพพานพระนิพพานคือจิตที่ไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภวะตัณหานั่นเองไม่มีตัวที่จะดึงให้กลับไปสู่ใต้พบไม่ให้กลับไป อยู่ในสังสารวัตรนี่คือธรรมที่พระเจ้าทรงตัดเจโลเหตุที่ทําให้ติดอยู่ในไตรภพและเหตุที่จะพาให้หลุดออกจากไตรภพก็คือปัญญาต้องเห็นว่าไตรภพนี้เป็นทุกข์เห็นว่าการมาเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดนมีวันตาย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อมาเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายกันเวลาตายก็ทุกข์เวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องมาหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอย่าไปเสพกามอย่าไปถ้าได้สมาธิก็อย่าไปติดกับสมาธิ ได้ฌานก็อย่าไปติดกับฌานถึงจะสามารถที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พอรู้แล้วมาพอมาสอนพวกที่ยังติดอยู่พอกไปปฏิบัติเขาก็หลุดพ้นกันได้บางคนพอได้ยินครั้งแรกก็หลุดพ้นขั้นที่หนึ่งเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรก ในวันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาฬหาบูชาที่ผ่านมานี่ก็มีพระปัญจวัคคีย์มีพระปฏิบัติอยู่ห้ารูปที่ฟังธรรมแล้วพอแสดงจบ ก, ก็มีเพียงรูปเดียวที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้คือพระอัญญาณโกนทัญญาเนี่ยนี่เป็นพระอริยสงสาวกองค์แรกของพระพุทธศาสนา วันนั้นจึงมีพระรัตนตรัยครบองค์มีพระพุทธเจ้าผู้รู้ทางสู่การหลุดพ้นแสดงธรรมที่เป็นความรู้ที่จะพาให้ผู้ฟังได้เอาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้ปั๊บผู้ฟัง ก็บรรลุขึ้นมาคนแรกหลุดออกจากกองทุก์ในระดับที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายปิดประตูอบายได้ถึงแม้จะเคยทำบาปมามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามจะไม่ต้องไปใช้บาปในอบายอีกต่อไปแต่ยังต้องมากลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ ถ้าปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะลดเหลือชาติเดียวแล้วก็จะหลุดออกจากกามภพไปได้แล้วก็ไปติดอยู่ในรูปภพกับอรูปภพตามลำดับต่อไปจนในที่สุดก็จะหลุดพ้นจากไตรภพได้อย่างถาวร น, นี่คือพระรัตนไตฏใจที่เป็น ผู้นำทางหรือผู้สอนผู้บอกทางสู่การหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมีพระรันตนะไตเท่านั้นที่รู้ทางผู้ น, นี้จะเป็นใครก็ตามจะเก่งขนาดไหนจะมีความรู้ระดับไหนก็ตามจะไม่สามารถสอนให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะสอนได้ก็ให้เพียงแต่ ให้ออกจากาการมาพบได้ชั่วข่าวโดวยการสอนให้ไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็ไปติดอยู่ในรูปภพกับอรูปภพแต่จะไม่รู้จกักการที่จะออกจากรูปภพกับอรูปภพไปได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกมาบอกว่าอย่าไปติดในรูปภพอย่าไปติดในอรูปภพ ก็อย่าไปติดในรูปประชานอารูปประชานถึงจะสามารถที่จะออกจากไตายภพไปได้นี่คือทำไมเราจึงต้องถือพระรัตนตรัยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้พาให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่รู้ทางผู้อื่นนี้จะไม่รู้ ไม่ว่าจะเป็นศาสดาของศาสนาไหนก็ตามจะไม่มีศาสนาศาสดาของศาสนานั้นที่จะสอนให้ออกจากกองทุกได้ศาสดาที่จะสอนให้ออกจากกองทุกได้นี้ต้องสอนอริยสัจสี่ถ้าไปศึกษากับศาสนาไหนถ้าไม่มีสอนเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุก์สมุทัยนิโรธมาก ก็จะไม่เป็นความรู้ที่จะพาให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าศาสนาไหนสอนอริยา ส, าสัจสีศาสนานั้นถือว่าเป็นศาสนาที่จะพาผู้ศึกษาให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่ยตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสิ้นลมเนี่ยมีชายคนหนึ่ง ยังมีความสงสัยอยู่ในคำสั่งคำสอนของนักธิต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆจนงงก็เลยต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำสอนของใครเป็นคำสอนที่ถูกทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าคำสอนใดที่มีมรรคปนี่แหละจะเป็นคำสอนที่จะพาให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ มักแปดก็หนึ่งในอริยสัจ4ี่นั่นเองอริยสัจสี่มีสี่ข้อข้อที่หนึ่งคือทุกทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของการมาเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าสมุ ท, ทยัยได้แก่กามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาข้อที่สความจริงข้อที่สการหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาได้ แต่จะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยข้อที่สี่คือมรรคทางที่จะพาให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนนั้ใครก็ตามถ้าต้องการจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีมรรคต้องมีมรรคมรรคนี้ก็มีสองระดับระดับของผู้คองเรือนกับระดับของนักบวชผู้คองเรือนก็ต้องมีทานศีลภาวนา ทานก็คือการทําบุญให้ทานเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองศีลก็คือศีลห้าศีลแปดตามลําดับ mm hmm. แล้วถ้าแล้วภาวนาก็คือการฝึกสมาธิและปัญญานั่นเองสมถะภาวนาก็คือสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือปัญญา mm hmm. อันนี้คือทางของผู้คลองเรือนถ้าอยากจะหลุดออกจาก การเวียนว่าตายเกิดก็ต้องทําทานรักษาศีลภาวนาสําหรับนักบวชนี้ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทําทานเพราะนักบวชนี้ไม่มีเงินต้องทําทานแล้วนักบวชตัดเรื่องเงินทองสละเงินทองให้ผู้อื่นไปหมดก็เลยมาทําศีลกับสมาธิปัญญาเ อ, อก็เป็นทางอันเดียวกันต่างกันตรงที่เลนซ้ายหรือเลนขวาเ อ, อ เลนซ้ายก็ช้าหน่อยเลนขวาก็เร็วหน่อยเพราะว่าเลนซ้ายนี่ต้องมีพละพลุงพลังเหมือนกับรถบรรทุกรถโดยสารต้องคอยรับขนส่งคนโดยสารขนส่งสินค้าก็ต้องคอยจอดคอยแวะแต่ถ้าเลนขวานี่เป็นรถเกง๋งไม่มีขนข้าวขนของขนแต่คนอย่างก็วิ่งได้เร็วกว่าไปได้ถึงมากเร็วกว่า ผู้ปฏิบัติในศาสนาพุทธก็มีอยู่สองระดับนี่ระดับผู้ครองเรือนกับระดับนักบวชนักบวชนี่ก็จะไปได้เร็วกว่าไปถึงได้ก่อนเพราะไม่มีภาระต้องมาเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้แต่ฆราวาสนี่ยังมีภาระมีการรับผิดชอบมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆที่จะต้องคอยดูแลกัน ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เหมือนนักบวชก็เลยต้องปฏิบัติแบบลดโดยสารลดบรรทุกสินค้าก็จะช้าหน่อยแต่ก็ถ้าพยายามปฏิบัติไปก็ไปได้ไปถึงเหมือนกันนี่คือทางพระพุทธเจ้าตอบชายคนนั้นว่าถ้าอยากจะรู้ว่าคำสอนไหนเป็นคำสอนที่จะพาให้เรา หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้คำสอนนั้นต้องมีมรรคแดต้องมีมรรคคือต้องมีทานศีลภาวนาหรือมีศีลสมาธิปัญญาถ้าเราดูศาสนาต่างๆเราจะเห็นว่าทุกศาสนาก็สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิแต่ไม่มีสอนเรื่องปัญญาไม่มีสอนเรื่องไตรลักษณ์ไม่มีสอนเรื่องอริยสัจสี่ ไม่ได้สอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่ศาสนาพุทธนทธานั้นที่สอนองั้นศาสนาอื่นก็สอนได้ให้ไปสู่ระดับสวรรค์สู่ระดับพรทมโลกแต่ไม่สามารถสอนไปไปถึงพระนิพพานได้ถ้าไม่มีอริยสัจ ส, สี่ไม่มีตายลักษณ์นี่คือระดับปัญญานนี้คือเรื่องของพระรัตนตรัยที่เรายึดถือเป็น อาจารย์เป็นคู่สั่งผู้สอนเราไม่ใช่เป็นผู้ที่จะมาเสกมาเป่าให้เราซึ่งสมัยนี้เราเข้าใจผิดเราคิดว่าพระรัตนาฏัยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะได้อะไรก็ขอได้เสกได้เป่าได้อยากจะได้ลูกก็ไปขอกับพระอยากจะได้ปริญญาก็ไปขอกับพระอยากจะได้เงินก็ไปขอกับพระขอแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง พวกได้ก็คิดว่าเป็นจริงพวกไม่ได้ก็ยังไม่ถึงเวลารอไปก่อนแต่ความจริงของมันจะได้มันก็ได้จะไปขอหรือไม่ขอมันก็ได้ของที่ไม่ได้ไปขอหรือไม่ขอมันก็ไม่ได้แต่ไม่คิดอย่างนี้กันกลับไปคิดว่ า, าถ้าขอได้ก็แสดงว่าศักดิ์สิทธิ์ทันใจถ้ายังไม่ได้ก็คือต้องรอไปก่อนรอคิวไปก่อนแต่ก็ยังเชื่อว่าขอได้อยู่นั่นเองเอนี่คือความเข้าใจผิด การที่เราไปถือพระรัตานาตายเป็นของเศษของเป่าไปคัาแบบจริงเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้บอกทางสู่การหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องจะได้ไม่หลงทางกันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจยาขออนุโมทนา ยะธาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏทิต um ังตุมหังทิปเมวาสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพารโควินาตโต มาเตภวตวันตารโยสุขีทีคาโยโกผวะอะพวาธนศีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภาลัง